Book 2ูเจ1ดสิบเอดเซปติวต้องการอยากเข้าทควกริเบคุณอยากทาอะไรคริบคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม Vai jūs g ริบ a t spēlēt ฟุตบ o l คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมไ g r ย b ส t ริบัตอพเจมูดดรา وغ ัสต้องการอยากริบัตดฉันไม่อยากมาสายอสนกริบูน ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Es negribu turp iet อตดิฉันต้องการกลับบ้าน Es gribu iet m ม j เ s สดิฉันต้องการอยู่บ้าน Es gribu palikt m ม j เ s สดิฉันต้องการอยู่คนเดียว e อสกรีบูบูต์เวียนคุณอยากอยู่ที่นี่ไหมบายตูกรีบิบ i ลิกเชตคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมบายตูกรีบิเชตเอสตคุณอยากนอนที่นี่ไหมบาย u ูกรีเล คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ I u s g r i b a t a Isbrauk t r e t คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ I u s g r i b a t p a l i k t Literary a e n a i คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ I u s g r i b a t s a m a k s ā t r e r i n u t i k a i r i t คุณอยากไปดิสโก้ไหม Vai jūs g r ē, mai? Vai g i b a อี e อุ z d i s k ก t ต k กคุณอยากไปดูหนังไหมไปยูสกรีบบ์อีดอุสคีโนคุณอยากไปร้านกาแฟไหมไปยูสกรีบบ t อีดอุสคาเฟนิุ